บทที่9คนที่มีอายุทำอย่างไรจรึงจะฝึกสมาธิได้ง่ายข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าการศึกษากับการฝึกสมาธิควรจะควบคู่กันมาตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนทีเดียวจึงจะสามารถใช้สมาธิได้ดีซึ่งหมายความว่าเมื่อเราต้องการจะทำใจให้สงบ ต้องการจะปัดอารมณ์และความคิดที่ไม่ต้องการออกไปเมื่อไหร่ก็ทำได้และพร้อมกันนั้นก็สามารถทำให้ใจแจ่มใสขึ้นมาได้ตามความต้องการผู้ที่มาเริ่มฝึกสมาธิเอาในตอนที่มีอายุมากในวัยที่สมองเริ่มเสื่อมมีอารมณ์ค้างอยู่ในใจมากมีความกดดันอยู่มากในตอนนี้ฝึกยาก นอกจากจะเป็นคนที่มีศรัทธาจริงๆคือมองเห็นประโยชน์และความจําเป็นอย่างแจ่มชัดในอันที่จะต้องฝึกสมาธิถ้ามีพื้นความรู้อย่างนี้ก็พอจะฝึกได้แต่อย่างไรก็ตามเราควรจะได้ศึกษาถึงหลักการบางอย่างในอันที่จะช่วยคนที่มีอายุฝึกสมาธิได้ง่ายสมองเสื่อม ยังไม่เป็นอุปสรรคถ้ากับความกดดันในทางอารมณ์ผู้ที่มีความกดดันในทางอารมณ์สูงจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบสักนาทีหรือสองนาทีก็ยากที่จะทำได้เพราะฉะนั้นปัญหาสาคัญที่เราจะต้องแก้ก็คือหาวิธคีคลี่คลายความกดดันทางอารมณ์ให้ได้ก่อนอันที่จริง ความกดดันในทางอารมณ์นั้นถ้าหากเรารู้จักวิธีแก้ก็ไม่สู้จะเป็นปัญหายุ่งยากนักข้อสำคัญในเรื่องนี้ก็คือก่อนอื่นเราจะต้องเรียนให้รู้จักสัญดาณของตัวว่าโดยพื้นฐานแช่แเราต้องการอะไรบ้างซึ่งความต้องการที่ว่านี้มีอยู่เสมอแต่ก็ไม่สมปรารถนาเช่น บางคนอยากจะมั่งมีแต่ก็รอมาหลายปีแล้วก็ยังไม่มั่งมีสมใจมีแต่ความขาดแคลนตลอดเวลาและเวลานี้อายุก็มากแล้วโอกาสที่จะหาความมั่งมีก็ยังมองไม่เห็นทางสำหรับในกรณีอย่างนี้ถ้าหากเราไม่ระ ง, งับความต้องการอันนี้ความกดดันอันนี้ก็จะต้องมีอยู่ตลอดเวลา และแน่นอนเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้เพราะใจจะฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่จะหาเงินเพื่อที่จะแก้ความขาดแคลนวิธีแก้ในเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องพยายามคิดในทางที่จะทำให้ใจสบายโดยวิธีมองอีกมุมหนึ่งกล่าวคือให้นึกถึงคนที่เขายากจนยิ่งกว่าเราและพิจารณาให้เห็นว่า แม้เราจะยากจนอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าคนเหล่านั้นอีกมากมายและเราควรจะพอใจในฐานะที่เป็นอยู่อย่าคิดทะเยอทะยานให้เกินกว่าฐานะอย่าไปนึกถึงตัวอย่างของคนที่เข้ามั่งมีกว่าและพยายามคบกับคนที่เข้ายากจนกว่าแสดงความเห็นอกเห็นใจและพยายามให้ความช่วยเหลือ แก่คนที่เขายากจนกว่าอย่าทําตัวให้สนิทกับคนที่เข้ามั่งมีเว้นไว้แต่ว่าคนมังน่งมีบางคนจะเป็นคนมีความเมตตากรุณาและเห็นใจในฐานะของเราและพร้อมกันนั้นเขาสามารถที่จะให้กําลังใจให้เรามีความอดทนที่จะอยู่ในฐานะอย่างนั้นได้ตลอดไปส่วนคนมั่งมี ชนิดที่เมื่อเราไปคบเข้าแล้วคอยแต่จะชักจูงให้เราทะเยอทะยานเอาอย่างเขาแต่แล้วเราก็ทําตามแบบเขาไม่ได้เราไปคบกับเขาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าจะต้องกินเหมือนกับเขาแต่งตัวเหมือนเขาเข้าสังคมอันเดียวกันกับเขาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็สนิทกับเขาไม่ได้สําหรับคน ม, มั่งมี ที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกจําเป็นดังที่กล่าวมานี้ก็อย่าไปคบให้สนิทคนที่มีความเป็นอยู่อย่างยากจนถ้าหากรู้จักประมาณตัวและรู้จักคบเพื่อนเขาก็จะได้รับประโยชน์จากความยากจนไม่น้อยเลยเพราะโดยธรรมดาคนจนที่ไม่เห่อเหือมรู้จักประมาณตัวจะมีโอกาสได้สร้างบุญบา ร, รมีได้ดีหลายอย่าง เช่นมีโอกาสที่ดีที่จะหัดให้เป็นคนอดทนหัดให้รู้จักกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆหัดไม่ให้มีความเย่อหยิ่งหัดให้มีความกะตัญยูต่อผู้มีพระคุณและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคนจนๆด้วยกันย่อมจะมีความเมตตาปราณีต่อกันอย่างลึกซึ้งอันนี้เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐมาก คนจนมีโอกาสที่จะสร้างความรู้สึกที่ว่านี้ให้เกิดขึ้นได้ง่ายมากเพราะจากความยากจนของตนนั้นจะทำให้มีความรู้สึกประทับใจในความทุกข์ยากของคนจนอย่างลึกซึ้งคนโดยมากไม่รู้ว่าคนที่จะใหญ่โตขึ้นมาด้วยบุญบารมีของตัวนั้นคุณธรรมข้อนี้จะต้องเด่น จะต้องกลายเป็นนิสัยส้นดานถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเวลาใหญ่โตขึ้นมาจะไม่ได้รับความเคารพนับถือจากคนยากจนซึ่งโดยปกติคนยากจนนั้นไม่ว่าประเทศไหนและไม่ว่าในสมัยใดจะต้องมีมากกว่าคนมั่งมีเสมอคนที่ทำอะไรได้รับคะแนนนิยมจากคนหมู่มาก ย่อมจะเป็นผู้ชนะเสมอขอให้สังเกตรพระทายาสัยของในหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีดีนาศและสมเด็จพระราชชนนีทั้งที่พระองค์ไม่เคยประสบกับความยากจนแต่ถึงกระนั้นพระทยาสัยของพระองค์ที่แสดงต่อราษดรโดยเฉพาะกับราษดรที่ยากจนนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่า ได้แสดงออกมาจากน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาออกมาจากน้ำใสใจจริงคำพูดและท่าทางที่พระองค์ทร ง, สงแสดงออกมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าออกมาจากใจจริงด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้รับความรักและความเคารพจากพระศกอนิกรทุกท่วนหน้าคนที่เป็นเศรษฐี และจะเป็นเศรษฐีอยู่ได้ตลอดไปเป็นเศรษฐีที่มีความสุขอัธยาศัยอันนี้คือความเห็นใจในคนยากจนจะต้องสูงนักการเมืองก็เหมือนกันส่วนคนที่แกล้งทำแต่ใจจริงเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่สงสารคนยากจนคนประเภทนี้แม้ว่าจะมั่งมีหรือเรืองอำนาจสักเพียงไรก็ตาม ตัวเขาเองก็จะอยู่อย่างไม่เป็นสุขจะไม่ได้รับความรักและความเคารพจากบุคคลโดยทั่วไปคนจนๆจนมีโอกาสที่จะสร้างบารมีได้หลายอย่างถ้าหากเขาเป็นคนเข้าใจในเรื่องชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะคิดไปอีกแง่หนึ่งไม่คิดในแง่ของการทะเยอทยานดังที่กล่าวมาแล้วก็จะทำให้เรามีความสบายใจ ความกดดันเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็จะค่อยๆหมดและหายไปความกดดันอีกอันหนึ่งที่คนส่วนมากมีก็คือความกดดันในเรื่องกามารมเช่นคนที่ตัวเองรักจริงๆไม่ได้แต่งงานด้วยแต่กลับต้องมาแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่รักหรือรักเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงใจความสุขในด้านกามารมก็ไม่สมใจ นอกจากนี้ก็ยังมีความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องชีวิตภายในครอบครัวอีกหลายอย่างทําให้ต้องทนอยู่เพราะไม่มีทางที่จะปลีกตัวไปไหนได้คนส่วนมากมักจะตกอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างนี้ซึ่งบางคนก็มีความทุกข์ทรมานมากบางคนก็มีน้อยแต่คนที่ไม่มีความทุกข์ทรมานเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ดูเหมือนว่าจะหาไม่ได้ในบรรดาความกดดันทั้งหมดไม่มีเรื่องไหนที่จะร้ายแรงรับทรมานคนมากเท่ากับการที่ไม่ได้รับความสุขในเรื่องกามารมหรือในเรื่องครอบครัวเท่าที่สังเกตดูไม่ว่าคนในระดับไหนจะมั่งมีหรือยากจนจะมีการศึกษาดีหรือไม่ดีก็ตาม จะไม่ค่อยพ้นไปจากภาวะของการทรมานในเรื่องนี้ชีวิตการแต่งงานของบางคู่เริ่มต้นด้วยต่างฝ่ายต่างรักกันจริงมีความสุขในการแต่งงานทุกอย่างแต่แล้วก็อยู่ได้ไม่กี่ปีชีวิตของการแต่งงานก็กลายเป็นความทรมานซึ่งทำให้ต่างฝ่ายต่างก็นึกถึงความหลังนึกถึงความเป็นอิสระ แต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วปัญหาในเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ยุ่งยากและแก้ไขก็ยากนอกจากทางเดียวคือถ้าทั้งสองฝ่ายเป็นคนมีคุณธรรมมีจิตใจสูงเข้าใจความหมายของคำว่าแต่งงานแจ้มแจ้งถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าอย่างนี้แล้วเขาก็จะแก้ปัญหาของตัวเองได้ แต่คนอย่างนี้หาไม่ได้งักคนที่มาเริ่มฝึกสมาธิตอนที่มีอายุมากและปฏิบัติกันไม่ค่อยได้ผลสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากความกดดันในเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นและวิธคีคลี่คลายปัญหานี้ก็เป็นเรื่องยุ่งยากมากเพราะวิธีจะคลี่คลายความกดดันในเรื่องนี้ให้หายได้นั้น จะต้องได้พบกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้จริงๆและคนไข้ก็จะต้องสามารถบอกรายละเอียดได้แม้กระทั่งเรื่องภายในมุ้งได้ยังเปิดเผยตรงไปตรงมาเสมือนหนึ่งแพทย์จะทําการผ่าตัดอวัยวะภายในคนไข้ก็ต้องยอมเปิดเผยทุกส่วนตามที่แพทย์ต้องการจะตรวจแต่อย่างไรก็ดี ในเมื่อเรายังหาจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ไม่ได้หรือหาได้แต่ก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวของตนเองทางออกที่ดีที่สุดก็คือพยายามศึกษาทำให้เข้าใจจริงๆและในระหว่างเวลาที่ฝึกสมาธิก็ให้พยายามสังเกตความฟุ้งซ่านที่แสดงออกมาในรูปต่างๆในที่สุด เราก็จะรู้จักสัญดาณของตัวและจะรู้จักวิธีแก้ไขความกดดันอันนี้ได้ด้วยตนเองผู้ที่ไม่ยอมศึกษาธรรมและไม่ยอมฝึกสมาธิจะไม่มีโอกาสแก้ความกดดันอันนี้ได้เลยและถ้าหากขืนปล่อยตัวไปตามอำนาจของกิเลสก็ยิ่งจะทำให้มีความกดดันมากขึ้นเหมือนกับคนบางคน ทั้งที่มีอายุมากแล้วมีครอบครัวเป็นหลักฐานแล้วมีลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ยังเที่ยวตามบาตามไนท์คลับหรือเที่ยวแสวงหาความสุขในด้านกามารมอยู่เรื่อยสุดแล้วแต่ใจมันจะเรียกร้องไม่มีการยับยัง้งวิธีนี้ไม่ใช่เป็นการแก้แต่จะเป็นการสร้างพมของความกดดันให้สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น คนที่ประพฤติตัวเช่นนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นคนมีความกดดันในทางกามารมณ์สูงการพยายามทำใจให้สบายโดยอาศัยวิธีทางธรรมเข้าประกอบและในบางครั้งเราก็ปล่อยตัวไปตามอำนาจของกิเลสวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีกว่า ในอันที่จะแก้ปัญหาในเรื่องความกดดันทางอารมณ์อย่าได้ใช้แต่วิธีทางโลกล้วนๆเพราะมันจะไม่ได้ผลอะไรเลยมีแต่จะซ้ำเติมยิ่งขึ้นแต่คนที่เคร่งทาเกินไปไม่ตามใจกิเลเสซะบ้างก็ยากที่จะเอาชนะกิเลสได้ทุกคนควรจะเดินตามทางสายกลางซึ่งในเมื่อเราเดินทางนี้ เราก็จะค่อยมีความสบายใจขึ้นความกดดันต่างๆก็จะลดน้อยลงและในที่สุดก็จะสามารถฝึกสมาธิได้ บทที่สิบวิธีกำจัดความฟุ้งซ่านโดยใช้บทบริกรรมว่าตัวเราคือความคิดสมาธิและวิปัสสนาในชีวิตประจำวันททักที่เขียนมาตลอดเวลาสามปีนั้นเป็นการแนะแนวเพื่อวางพื้นฐานสำหรับคนทั่วไปสำหรับในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่สี่ก็พระเจ้าได้ตั้งใจไว้ว่า ข้าพเจ้าจะสรุปใจความสาคัญไว้เป็นเรื่องๆสำหรับที่จะได้นำไปใช้ในเวลาฝึกสมาธิและเจริญวิปัสนาซึ่งเท่ากับข้าพเจ้าได้จัดยาไว้เป็นประเภทๆ เ, เพื่อผู้ใช้จะได้เลือกเอาอกไปรับประทานให้เหมาะแก่โรคของตัวในที่นี้ข้าพเจ้าจะเขียนและแนะแนวไว้เพียงสั้นๆเพื่อให้รู้ว่า ในเมื่อตัวเองมีอาการอย่างนี้ควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาของตัวเองได้คนที่เมื่อนั่งสมาธิแล้วมีความคิดฟุ้งซ่านระ ง, งับไม่ค่อยอยู่ซึ่งจะเนื่องมาจากสาเหตุอะไรก็ตามมีหลักสําคัญอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาว่าความคิดทุกอย่างที่กาลังเกิดอยู่นี้ ไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวเราความคิดที่กําลังฟุ้งอยู่นั้นมันจะค่อยๆสงบลงอย่างง่ายดายถ้าหากความกดดันทางอารมณ์มีไม่มากจนเกินไปและวิธีที่จะพิจารณาให้เห็นว่าความคิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรานั้นก็คือเมื่อเข้าสมาธิด้วยวิธีกําหนดลมหายใจเข้าออก จงกระทั่งจิตสงบพอสมควรแล้วก็จงบริกรรมคือนึกซ้ำๆอยู่กับคําภาวนาดังต่อไปนี้ตัวเราคือความคิดเพราะถ้าความคิดไม่เกิดจะพูดได้อย่างไรว่าเราคิดหรือความคิดอันนี้เป็นของของเราเมื่อความคิดเกิดจึงจะมีการยึดถือเกิดขึ้นว่าเราคิดหรือความคิดอันนี้เป็นของของเรา เมื่อความคิดเกิดจึงจะมีการยึดถือร่างกายว่าเป็นตัวเราหรือของของเราเมื่อความคิดเกิดจึงจะมีการยึดถือสมบั ต, ติต่างๆว่าเป็นของของเราถ้าความคิดไม่เกิดความยึดถือก็เกิดขึ้นไม่ได้วิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามวิญญาณเกิดนามเกิดถ้าวิญญาณไม่เกิดนามไม่เกิด อุปาทานก็คือนามอย่างหนึ่งแต่ความคิดจะเป็นตัวเราหรือของของเราขึ้นมาได้อย่างไรเพราะความคิดตัวอย่างเป็นสิ่งที่ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องตายเมื่อร่างกายยังไม่เกิดหรือร่างกายตายแล้วหมดสิ้นไปแล้วจะถือได้อย่างไร ว่าร่างกายอั น, นานเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราความคิดทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวิบากของมันถ้าวิบากของมันไม่มีมันก็ไม่เกิดเช่นเดียวกับถ้าเม็ดมะม่วงไม่มีต้นมะม่วงก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ต้นมะม่วงจะต้องเกิดมาจากเม็ดมะม่วงจะเกิดมาจากเม็ดมะปรางหรือเม็ดผลไม้อย่างอื่นไม่ได้ ถ้าเม็ดมะม่วงไม่มีต้นมะม่วงก็เกิดขึ้นมาไม่ได้วิบากไม่ใช่ของดั้งเดิมไม่ใช่เนื้อแท้ของจิตใจเพราะวิบากทุกอย่างเกิดจากการกระทาเกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการอบรมเกิดจากการมีประสบการณ์คนที่ไม่หัดดื่มเหล้าก็จะไม่มีวิบากของการดื่มเมื่อวิบากของการดื่มไม่มี ความคิดที่จะดื่มเหล้าก็เกิดขึ้นไม่ได้วิบากบางอย่างเช่นวิบากของตันหาราคาซึ่งได้มีอยู่ในสันดานอย่างลึกซึ้งมานานแล้วมันก็ไม่ใช่เนื้อแท้ของจิตใจเหมือนอย่างน้ำทะเลซึ่งมีรสเค็มมานานแล้วนับเป็นล้านล้านปีแต่ถึงกระ น, นั้นความเค็มหรือรสเค็ม ก็ไม่ใช่เนื้อแท้ของน้ําข้อความทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้ปฏิบัติจะต้องท่องจําให้ขึ้นใจและจะต้องหมั่นนึกทบทวนข้อความเหล่านี้บ่อยๆซึ่งทุกขณะที่นึกถึงข้อความเหล่านี้จะต้องให้มีสติกํากับทุกคําพูดและทุกขณะที่นึกก็จะต้องเข้าใจความหมายด้วยด้วยการปฏิบัติแบบนี้ สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องกรรมและวิบากของกรรมมาอย่างดีรับรองได้ว่าจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยกล่าวคือจะสามารถกระจัดความคิดที่ฟุ้งซ่านให้หมดไปได้ข้อความที่เป็นตัวดำหนา น, านั้นคือบทบริกรรมที่จะต้องนึกบ่อยๆส่วนคำอธิบายต่อมาถ้าหากจะจำไว้ให้ขึ้นใจได้ก็ยิ่งดี การฝึกสมาธิเพื่อที่จะกระจัดความฟุ้งซ่านนั้นโดยปกติถ้าหากจะใช้ข้อความสั้นๆมักจะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าสามารถจำข้อความได้ทั้งหมดและนึกทบทวนอยู่แต่ในข้อความเหล่านั้นหลายๆครั้งจะช่วยกระจัดความฟุ้งซ่านได้ดีต่อเมื่อเราเข้าใจความหมายลึกซึ้งดีแล้ว จึงภาวนาเฉพาะแต่ข้อความที่เป็นตัวดําหนาเท่านั้นและต้องภาวนาให้ข้อความติดต่อเป็นเรื่องราวที่สามารถจะทําให้มองเห็นว่าความคิดทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราถ้ามองเห็นความจริงข้อนี้ชัดขึ้นเพียงไรก็จะสามารถกระจัดความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปได้ดีเพียงนั้นจนกระทั่งในที่สุด ใจก็จะว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดทุกอย่างและจะได้พบกับความสงบที่เยือกเย็นและแจ่มใสที่สุดซึ่งในเมื่อความสงบอันนี้ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้ววิบากของความสงบอันนี้จะสามารถกวาดล้างความรู้สึกทุกๆอย่างที่มีอยู่ในสันดานที่ทําให้เกิดความฟุ้งซ่านทําให้เกิดความทุกข์ ทำให้ปัญญามืดมัวหมดสิ้นไปได้แต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าในสันดานของคนเราย่อมจะมีผู้ร้ายกล่าวคือวิบากของความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีซ่อนตัวอยู่เสมอและตราบใดที่ยังไม่จับผู้ร้ายเหล่านี้มาขึ้นศาลพิภาคษาประหารชีวิตให้หมดสิ้นไปแล้ว ความฟุ้งซ่านและความทุกข์ต่างๆอันเนื่องมาจากผู้ร้ายที่ซ่อนอยู่นั้นก็จะมีอยู่ตลอดไปทุกๆชาติเพราะฉะนั้นในขณะที่ใจสงบใจว่างจากอารมณ์และความคิดที่วุ่นวายได้แล้วนั้นถ้าหากเราหยุดอยู่เพียงแค่นี้ก็จะยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะต้องรื้อฟื้นเอาความคิดที่ฟุ้งซ่านออกมา หรือถ้าจะพูดให้ถูกคือจะต้องรื้อฟื้นเอาความคิดทุกๆอย่างออกมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีที่ถูกหรือผิดก็ตามจะต้องนามาขึ้นพิจารณาทั้งหมดอย่าลืมว่าถ้าผู้ร้ายมีสิบคนหรือร้อยคนเราก็ต้องจับเอามาให้หมดจะเหลือไว้แม้แต่เพียงคนเดียวไม่ได้นี่หมายความว่า ความคิดอันใดที่เรายังควบคุมไม่ได้ซึ่งในบางอย่างก็เป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่ถูกต้องแต่เพราะเหตุที่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อต้องการจะปัดออกไปก็ปัดมันออกไปทันทีไม่ได้แม้ความคิดอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ร้ายในฐานะที่คอยก่อกวนสมาธิ ทำให้เข้าสมาธิไม่ได้ความคิดในทำนองนี้ก็ต้องนำขึ้นมาพาิจารณาตามหลักที่ได้กล่าวมาแล้วจนกว่าจะมองเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าแม้ความคิดที่ถูกต้องก็ไม่ใช่ความคิดของเราไม่ใช่ตัวเราและที่ว่าความคิดนั้นถูกต้องก็ไม่ใช่หมายความว่าจะถูกต้องไปทุกกาลเทศะ ความถูกต้องทุกอย่างมีขอบเขตจํากัดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความคิดทุกอย่างจึงควรจะต้องปล่อยวางให้หมดดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าแม้ตาขาคตจะรู้ถึงปานนี้แต่ก็หาได้ยึดมั่นในความรู้นั้นไม่เพราะไม่ยึดมั่นในความรู้ทุกอย่างที่มีอยู่จึงได้ประสบกับความสงบอันสูงสุด ข้อความที่กล่าวมานี้มีอยู่ในพรหมชาลสูตรซึ่งในสูตรนี้พระองค์ได้ทรงเล่าว่าพระองค์ได้มีความรอบรู้ในหลักศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นในยุคที่ผ่านมาแล้วหรือในยุคต่อไปก็ตามความรู้ในทางศาสนาหรือความรู้ในทางปรัชญาต่างๆทุกสาขา ก็มีอยู่เท่าที่พระองค์ทรงเล่ามานี้เท่านั้นซึ่งสรุปแล้วมีอยู่62สองลัทธิด้วยกันแม้พระองค์จะทรงรอบรู้เห็นจนถึงขนาดนี้แต่ก็หาได้ยึดมั่นในความรู้ทุกอย่างที่มีอยู่ไม่และทั้งนี้หมายถึงว่าพระองค์ไม่ทรงยึดมั่นแม้กระทั่งโพธิญาณ คือความรู้ที่ทำให้พระองค์ทรงละกิเลสได้หมดสิน้นเพราะความรู้ทุกอย่างที่มีอยู่นั้นพระองค์ทรงมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้ความรู้ทุกอย่างเป็นสังขารคือเป็นสังขตะธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุดับเพราะความสิ้นแห่งเหตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรา ขอได้โปรดจําไว้ให้แม่นว่าตราบใดที่คนเรายังปล่อยวางความคิดและความรู้ทุกอย่างไม่ได้ยังมีความภูมิใจมีการถือตัวเพราะความคิดหรือความรู้อันใดก็ตามเขาผู้นั้นจะพบกับความจริงที่สมบูรณ์ไม่ได้อวิชชาเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า อนุปาทายะอาสวหิจิตตา น, นิวิมุตจิงสุจิตทั้งหลายได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปาทานอาสวะแปลว่ากิเลสที่ฝังแน่นอยู่ในสันดานมีอยู่สามอย่างคือกามตัญหาภวะตัญหาและอวิชชาจงสังเกตว่าเมื่อรู้อะไรแล้วต้องปล่อยวางด้วย จึงจะหลุดพ้นจากอวิชชาเพราะรู้อะไรแล้วยึดถือความยึดถืออั น, นั้นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความหลงผิดในแง่อื่นได้เสมอ